ย่างที่ให้ทานลักษาะสิ่นทำกรรมฐานนั้น ท, ทุกคนที่มานี้พอที่จะรู้เรื่องเพราะว่าทุกคนได้ทำกันมาแล้วแต่เรื่องวิปัสสนานีน้อยคนรู้หรือบางทีอาจยะไม่มีผู้รู้ก็ได้ แต่เราได้ยินแต่ือว่าวิปวัสนาหมายถึงอันใดวิปวัสนาอาจจะไม่รู้บางคนบางคนอาจจะรู้ถึงรู้ก็ยังไม่ชัดเจนไม่แก่นแจ้งทำไมจีว่าไม่ชัดเจนไม่เกี่นแจ้งเพราะยังบ่รับรองคาพูดคำสอนของตัวเอง โม่รับรองคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าโมชัดเจนโมแจ่มแจ้งถ้าหากชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วต้องรับรองคำพูดของตัวเองและรับรองคำพูดของพระพุทธเจ้ า, าสอนอย่างนี้ทำอย่างนี้ต้องปริญอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทำอย่างนี้ต้องปริญอย่างนี้ มันต้องเสื่อมั่นอยู่ในใจอย่างสั้นนี้ผมเองที่รับรองคําพูดของตัวเองและรับรองคําพูดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอด น, นั้นบบได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปื่นทั้งหมดแต่มีวิธีการทํามีวิธีวิธีที่พระพุทธเจ้าทํานั้นโบเหมือนวิธีที่เขาทํา วิธีที่พระพุทธเจ้าทำนั้นเป็นวิธีที่เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดญาณปัญญารู้แจ้งรู้จริงเข้าใจแจ้งเข้าใจจริงสัมผัสได้ทุกทกคนนี่เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าดังนั้นเฮาชี้เหตุนัง้งเหตุอย่างมันต้องศึกษาหามูลเหตุ หรือวิธีที่ทำไม่ใช่จะไปฟังแล้วจำเอาไปพูดไปสอนบสถูกนะแต่ทูกอยู่ผมเห็นของผู้นั้นแต่ผมว่ามันบสถูกสำหรับที่มันทูกที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นคือท่านสอนให้คนทุกคนจเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเมื่อเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาทุกแบบทุกวิธีได้สักได้ส่วนกันดีแล้วเหมาะสมแล้วมันมีญาณปัญญาหรือญาณสติญาณสมาธิตื้ขึ้นให้แก่บุบคคลผู้ที่ทำพระพุทธเจ้าพุทธโสณไว้ว่า ผู้ใดเจริญสติปัฏฐานซีอย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ย่างนานไม่เกินเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างไวที่สุดนะับตั้งแต่มือหนึ่งถึงเจ็ดมื อ, ม, อมีอานิสงส์องประการหนึ่งเป็นพระอรหันต์หากว่าได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันภพ น, นี้นั้น ต้องเป็นพระอนาคามีเป็นไวแล้วบัดนี้เขาทำมาอย่างอื่นอื่นมาอย่างให้ทานรักษาศีลทำกรรมฐานหรือเจอริญวิปัสสนาก็ตามทำมาตั้งแต่อายุเก้าปีสิบปีจนสามสิบปีสี 40, ่สิบปีบางคนตายเนาเ่าเข้าลงเมก่เคยปรากฏรับรองวาพาพระพุิเจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องเปลยนอย่างนั้นอย่างนี้โบกเคยได้ยินผมโบกเคยได้ยินในแทบได้ยินแต่ว่าเฮ็ดแปลงแต่เพื่อศาสนาศาสนีสร้างสมอกลมบาลมีไว้ศาสนาต่อไปตืมอันนั้นเป็นการขาดคิดออกเพราะพะพุะเจ้าสอนไว้แล้วพอพุะเจ้าบอกไวแล้วหนังสือธรรมวิจารณ์ผมอ่านขับจาได แต่หน้าที่เท่าใดนั้นจะจำโมได้แต่เรื่องเจริญสตินั้นพณว่าถ้าทำทุกต้องติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ย่างนานไม่เกินเจ็ดปีย่างกลางเจ็เดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอนิสงส์งสองประการนี้พนว่าหากไ่ได้เป็นพระอาหารหันต์ในปัจจุบันพบนี้นั้น ต้องเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนแน่นอนที่สุดดังนั้นเรื่องพระอนาคามีพระสักิทาคาพระโสดานี้พวกนี้ได้กระแสรพระนิพพานแล้วรู้จักนิพพานแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนิพพานรู้จักแล้วพวกนี้แล้วบัดนี้คนทํากรรมฐานทําวิปัสสนาให้ฐานรักษาสิ เคยปรากฏวอลลุ่มิถานนั้นบ่นเคยได้ยินได้ยินนั่แต่ว่าตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแล้วจึงเอาเนิ่มานทําบุญมากๆไว้วางสันปนวาสร้างสมอบมรมปาลเมีไหวเดี๋ยวนี้นี่ผมบุได้ว่าอย่างสันแต่ผมบุได้ว่าผมเป็นพระอริยะบุคคลบ่ได้เป็นพระโสดาบม่ได้เป็นพระสักขีทาคาบ่ได้เป็นพระนาคา บมดไดแสดงถึงว่าตัวเองได้เป็นพระเดียบุคคลสันนิษฐาีบอกแต่ผมรับรองคำพูดคำสอนของผมเองและผมรับรองคำพูดคำสอนของพระพรุทธเจ้าเองว่าผู้ใดเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแบบเคลื่อนไหว ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ไว้าขาช่วงขาสายทำกันยุ่อย่างนั้นเลยเว้นแต่หลับเท่านั้นถ้านอนตื่นมาแล้วไปใส่มาใส่พอตาซาง ม, มียุ่งงวิธีด้วยกันที่ผมที่นำมาเรานี้แล้วมันก็เลยตรงออกกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธสอนให้เรามีสติ ยู่กับในอิริยาบถดูเดินนั่งนอนอิริยาบถสี่อย่างยืนให้มีสติเข้าไปรู้นั่งให้มีสติเข้าไปรู้นอนให้มีสติเข้าไปรู้เดินหน้าถอยหลังให้มีสติเข้าไปรู้ให้มีสติเข้าไปรู้เท่านี้ก็ยังบ่ hour, Jamie, พอถ้ายังสอนให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถ ย้อยเป็นคูเยียดเคลื่อนไหวนีืจะบทใดก็าตามสร้างเคลื่อนไหวโดยวิธีก็ตามให้มีสติเข้าไปรู้ไว้กันอันนี้มีในหนังสือและพอแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนหรือมีแต่สำหรับผมที่จะนำมาเ่านี้ผมทำจังหวะขึ้นให้ดูเส้นพิกมือคึืนตะแคงไว้ ให้มีความรู้สึกตัวยกมือขึ้นคึ่งตัวให้มีสติเข้าไปรู้เอามือเข้ามาสะเดือให้มีสติเข้าไปรู้พลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้มีสติเข้าไปรู้ยกมือซ้ายขึ้นไปครึ่งตัวให้มีสติเข้าไปรู้เอามือซ้ายเข้ามาทับมือขว้ ให้มีสติเขาไปรู้เลื่อนมือขวัวขึ้นหน้าอกให้มีสติเขาไปรู้เอามือขวัวออกมาไว้ตรงข้างให้มีสติเขาไปรู้ลดมือขวัวลงที่ขาขวัวตะแคงไว้ให้มีสติเขาไปรู้ขวมือขวัวลงที่ขาขวัวให้มีสติเขาไปรู้เลื่อนมือซ้ายขึ้นมาหน้าอกให้มีสติเขาไปรู้ เอามือซ้ายออกตรงข้างให้มีสติเข้าไปรู้ลดมือซ้ายลงวางที่ขาซ้ายจัดแทงไว้ให้มีสติเข้าไปรู้หัวมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้มีสติเข้าไปรู้อันนี้เป็นวิธีทำสะสารจเจริญแบบนี้นั้นบอให้หลับตาให้นั่งก็ได้ ยืนก็นได้นอนก็นได้นั่งทำยืนทำนอนทำก็ได้เวลาเดินจมกลมไม่ให้เจริญแข น, เ, นเอามือ ก, กอดหน้า อ, อกไว้หรือเอาคั้วไว้ข้างหลังก็ได้วิธีนั่งนั้นจะนั่งเยียดขาก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเทียบก็ได้มีเก้าอี้นั่งย่อนแครงยอมขาก็ได้ แต่นั่งยอนขานั้นบัวให้เอาเขา้าเห่าไขวไปไขว้ขวมาบัวให้แกงให้มันนั่งนิ่งนิ่งได้ไหวบนใดให้รู้สึกตัวอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีนี้ทําแล้วรับรองได้ ย, นนออย่างนานเอาย่างนา น, า น, น, นย่างนานที่สุดให้ว่ารู้เบื้องต้นอันรับรองได้ย่างนานที่สุด ไม่เกินยี่สิบวันย่างนานนะั้นไม่เกินยี่สิบวันเบื้องต้นจะรูขึ้นมาเกิดยานปัญญารูขึ้นมาจริงๆริถึงปีถึงเดือนดอกอันนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าหนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันอันนี้ผมว่าอันนี้ว่าย่างนานทําวิธีนี้ไม่เกินยี่สิบวันรู เมียนปัญญาคือสมุดแต่ทำจริงพูดจริงคนทำจริงพูดจริงนั้นต้องรู้แล้วที่มานาั่งนอนเล่นอยู่คือโบลูวิธีนด้รับรองได้ผู้ยิงกระสางผู้สายก็ตามเจ้าหัวไอจั่วกระสำ้างผู้น้อยกระางผู้ใหญ่กระตามผู้เท่าผู้แก่ทำแล้วเกิดมัดทุกคนโบโยเกวิน อุปมาให้ฟังเหมือนกับเม็ดเขาเขาเปลือกเขาเนี่ยเขาเจ้ากว่าซางเขาเหนียวก็ตามถ้ามันอ้วนมันเต็มแล้วเอาไปเพาะไปปลูกงอกหมดทุกเม็ดดังนั้นการเจริญแบบนี้นั้นโบยกเวนคนซาดใดถือศาสนาใดก็ตามซางนงผ้าสีอะไรก็ตามโบยกเวนหลับหลองได้จริงๆแต่ให้ทําวิธีนี้ วิธีอื่นนั้นแทนโบรับนี่วิธีเบื้องต้นวิธีต่อไปบพอดีรู้เรื่องเบื้องต้นคือรู้เรื่องลูกเรื่องนามลูกธรรมนามธรรมลูกโลกนามโลกลูกโลกนามโลกมีสองอย่างโลกทางเนื่องหนังอันหนึ่งโลกทางจิตดินญาณอันหนึง่งแล้วก็รู้ทุกขงังรู้อนิจจังรู้อนัตตา รู้อันนี้แล้วก็รู้สมมุติสมมุติอันใดการรู้ให้ครบให้จบให้ทวนรู้ให้หมดสมมุติว่าผู้หญิงผู้ชายสมมุติเสื้อสมมุติผ้าสมมุติถนนหนทางสมมุติว่าเสื้อกางเกงสมมุติเงินสมมุติํำสมมุติทองสมมุติสร้อยหูหรือแหวนเพชรหรือสมมุติพระพุทธู สมมุติตัวหนังสือให้ว่าสมมุตอันไหนนะให้รู้ให้มึดอันนี้รู้อันนี้แล้วก็รู้ศาสนารู้ศาสนาแล้วกร็รู้พุทธศาสนารู้พุทธศาสนากับรู้บาูบุญจบภาคตนมีขั้นจบและมีขั้นต่อไปงานจจนาิพพานอันนี้เกิดขึ้นนั้นรู้อันนี้เบื้องต้น ต้นที่สุดรู้เรื่องนี้รู้เรื่องอื่นไปโบทุกกับวิธีที่ทำอันนี้วิธีที่ทำอันนี้ต้องรู้มาอย่างนี้รู้แล้วบบหลงโบหลื่นโบเสือชิงที่บไม่ของจริงโบเสือเนี่ยวรู้ของจริงของจริงแท้แน่นอนแล้วก็บอกเปลี่ยนแปลงโบแปล่นผันบอกกับกอกโบลอกลวงรู้อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา ผมได้เจริญมาแล้วตั้งแต่อายุรอดจากพ่องแม่มาผมโบได้รู้เมื่อผมไปเจริญอันนี้วิธีนี้อายุ4ี่สิบหกปีผมทำไม่ไม่นานรู้รู้แล้วโ่หลวงโ่ลืมจริงๆรับรองได้อันนีน้วิธีที่สองบัด น, นี้ทำจังหวะเหมือนเดิมแต่จังหวะนั้นมีหลายวิธี ที่ผมได้พยายามศึกษาและสนทนาวิธีแก้ไขหลายอย่างถ้าจะพูดก็มันจําบไา้ดอกมันต้องมาทำเองพูดเองทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังทำให้ดูซะเนี่ยก็ทำให้ดูทำจังหวาให้ดูอยู่ให้เห็นนะจงหวะนาง้างให้ดู พูดให้ฟังกับพูดอย่างซีแหละพูดให้ฟังในทีที่ซองนั้นต้องดูความคิดพยายามดูความคิดแต่ไม่ให้เข้าไปในความคิดให้ออกจากความคิดให้ได้ถ้าหาผูใ้ใดเข้าไปในความคิดแล้วมันเป็นอารมณ์มันเกิดอารมณ์รูนันรูนี่ไปอนันต์เ อ, อว่ารูความคิด ไม่ใส่เห็นคงคิดขันถ้าผู้ใดบ่เห็นขวงคิดนั้นมันเข้าไปในของคิดมันเป็นอารมณ์รู้อันนั้นรู้อันนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นรู้ความคิดบ่ได้เห็นควาคิดถ้าแห่เอาเห็นคองคิดมันคิดมาตั๊เอาเห็นปุ๊บมันหยุดทันทีเหมือนแมวจับหนูหนูออกมาแมวจับ หนูนี้ออกไปโบได้หรือเปียกอีกอย่างหนึง่งครับเขาอยู่บนเมันมืดเขาต้องการความสว่างแต่เขามีสฟฟ้าพอดีมันมืดเขาไปกดไฟฟ้ากดจุดเปปแสงไฟมันวิ่งไปตามสายของมันไปทำความสว่างให้เหลอ ด, อดนะคุณนี่มันเป็นยังไงอันนี้ก็คือการอันนี้อย่างนาน ไม่เกินสามปีวิธีตอนนี้มันจะรู้ผมคิดชัดเจนขึ้นมาย่างนานไม่เกินสามปีย่างแรกนั้นไม่เกินยี่สิบวันรูอันนี้ย่างนานไม่เกินสามปีคันตีต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงกันเรื่องขาว่ากิเลสแต่เขาบุ้จากกิเลสเขาจีเห็นจีฮูจีเข้าใจ รับรองได้จริงๆเรื่องโทสะโมหะโลภะหรือควมจิตมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี้แน่นอนจะเกิดญาณปัญญาของวิปัสสนาเขาไปรู้จริงๆรับรองได้ครับเรื่องนี้ไรซิวาเจเนกาตาร้าง เพราะพระพเจ้าเป็นมาการตัดสะลุหรือการยังรู้ของบุคคลนั้นมีอยู่แล้วทุกทุกคนไม่มีการยกเวน้นอันนี้ก็เหมือนกันการตัดสะลุและการยังรู้มีอยู่แล้วในคนทุกทุกคนทั่วไปนี่กันด็บนยกเวน้นการตัดสะลุนั้นถ้าว่ายางภาษาของผมตัดควมรู้มันคิดขึ้นมา ตัดขมรู้การตัดจะรู้การยังรู้รู้เข้ามาถึงชีวิตจิตใจของเขาจริงจริงการยังรู้รู้ไปลึกไปตื้นแค่ใดนั้นท่านจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองท่านจะหมดทุกทุกเพราะเรื่องอะไรทุกเพราะข่มสงสัยทุกเพราะว่าโทสะโมหะโลภทุกเพราะข่มยึดมั่นถือมัน่น คนวาแล้วสิ่งนี้เมื่อจเจริญถึงขั้นตอนแต่บรวมมันจะเกิดเมือ่อใดวันใดบารูจะเลินถึงขั้นตอนแล้วอุปมาเปรียบเทียบให้ฟังดูคมคิดนี้ถ้าหากเราดูได้สัตว์ได้ส่วนงานของสติงานของสมาธิงานของปัญญาเกิดขึ้นรวมเรียกว่า งานปัญญาของวิปัสนาเกิดขึ้นวิปัสนานั้นพคนว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วต่างเก่าลวงภาวะเดิมมาแจ้งเลยลวงภาวะเดิมไม่หมายถึงอันไรแกก่อนนั้นเราโบรู้ควมคิดนี้เรารููซื้อเราบบเห็นความคิดเ<ด>มื่อเห็นความคิดดีได้สัตย์ได้ส่วนญานมันขึ้นเอืดขึ้นมารู้แจ้งรู้จริงแล้ว โทสะโมหะโลภะี่จะจื้หรือจะจางคายลงไปถ้าหากว่าอุปมาให้ฟังนั้นน้ำสีแต่ก่อนนั้นคุณภาพมันดีลอยเปืสิ่งน้ำแดงก็ตามฟางน้ำดำก็ตามเอาไปย้อมผ้าขาวมาจิกินเมื่อผ้าติดเมื่อผ้าเหวทั้งหมดทีเดียว ถ้าน้ำแดงผ้ามันก็จะเป็นสีแดงเปียงออกมาโลดถ้าหากเป็นน้ำดำสีดำก็จะไปติดท้าดำปึ๊บมิดเดียวอันเข่าโบทันรู้เข่าโบทันมีญาณปัญญานั้นก็คือกันนี้เขาโกรธเขาเกียดตเขาสั่งคนนั้นคนนี้มันปึ๊บเหมือนกับไฟไม้มืดนเนี่งเองที่มันโลดรับมันเป็น บัดนี้เขามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอบรมจิตใจก ว, ว่าไดว่าจะไดนก็ะไดให้ได้สัตว์ได้ส่วนมันได้มันจิตเป็นน้ำยอมไม้มันจีจางจืดไปอยางนั้นน้ำยอมเต็มกระป๋องคุณภาพมันไม้มันเสื่อมถ้าเป็นน้ำแดงก็ตามนั่นำดำก็ตาม เอาไปยอมผ้าขาวมันจะโบติดครับโบติดเนือผ้าติดมันก็นจะเป็นมลเลนไปสืบถ้าหาอไปลางน้ำมันจิตออกโหลดเป็นอย่างนันรับรองได้จริงๆเรื่องนี้นี่แหละแสดงว่าการเจริญให้ถูกต้องตามแบบพระพุทธเจ้ารับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย รับรองคําพูดคําสอนของตัวเองอีกสะด้วยรับรองระยะเวลาใกล้ไๆอีกสะด้วยอืมเป็นอะไรที่ผมรับรองนี่ดังนั้นพระรูเจ้าจึงรับรองคําสอนของเพื่นว่าจะเลิญให้ถูกต้องแนวเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้ถ้าห้าเขาเฮ็ดถึงหกปีเจ็ดปีแล้วยังวัาปรากฏ เฮติเฮติแสดงว่าเฮตุบสถูกอะนเฮตเข้าปีสิบปีกะบสถูกเขาบวชเรียนเขียนอ่านมาที่ปีห้าปีบางคนเก้าปีสิบปีก็บวดได้แสดงเรื่องนี้แล้วก็แสดงว่าเขาบวดได้ปฏิบัติ ต, ตามแบบของพระพุทธเจ้าขด้ปฏิบัติ ต, ตามแบบของ พระพุทธเ้าก็ต้องสแสดงแบบพระพุทธเจ้าว่าให้มันเป็นทางผลนทกไปพ้นวายังอันนี้ยังมีทุกอยู่ผู้ใดบวชมาเก้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็ตามส้างผมก็เสื้อยุเพราะผมก็เคยบวชเป็นเนตรเป็นเจ้าหัวหนุ่มผมก็เคยบวชคือกันแต่ผมบุเข้าใจเรื่องนี้ เมื่อผมไปเจริญเรื่องนี้แล้วผมเกิดข่มคิดเกิดควมมั่นใจเกิดขมรู้ว่มเห็นเป็นอันวาตสิ่งสิ่งนี้ถูกต้องไม่พาดผิดไม่พาดผิดจริงจรับรองเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้ขวมจิงสิ่งสิ่งนี้เนี่ยที่ทุกคนต้องการอยู่แต่เขาหักโมลูวิธีทรรมเท่านั้นดังนั้นวิธีทรรม วิธีพูดวิธีเห็นวิธีรู้วิธีเข้าใจมันต้องมีวิธีบสทสว่างขางจิตไปนั่งเมานั่งคุยนั่งลมกันแล้วจิตเกิดข่มรู้ว่มเห็นข่มเข้าใจบ่อมันต้องมีวิธีธทรำรทีเดียวิธีทำทางจิตทางใจนี้งากก่ากุ้ยวิธีธรำจังหวะให้เห็นเพราะว่ามันเป็นสองวิธีเลยเนี่ยมันเป็นนั้วกัน วิธีสร้างจังหวะนี้เป็นวิธีให้มีสติเข้ามาจับหรือว่ามีสมาธิให้รู้สึกตัวตื่นตัวกระไดหรือว่าให้มีปัญญารอบรู้อนนี้ก็ไดแต่วิธีทางจิตทางใจให้เอาสติมาดูจิตดูใจนั้นเพราะใจต้องกระ่บมีตนโบมีโต สติมันก็วเป็นตนวเป็นโตสมาธิมันก็วิปตนวเป็นโตปัญญามันก็วิหิ็วเป็นตนเป็นโตจึงเอารูปกายเหล่านี้มาทําให้มันเป็นตนเป็นโตขึ้นมาให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมารู้เห็นอันนี้แหละมันจะถูกต้องทั้งหมดเลยทีเดียวนี่แหละเพิร์ลวาเอาเข้าไปเสบ่าเถินหนึ่ง ได้พลาหลกกลับไปทรงจงหรหันเมื่อเศรเาเือหนึง่งได้พลาห้ากลับไปทรงเพนเมื่อสวยเือหนึง่งได้พลาสี่กลับกลับหนึ่งก้วงลอยโยดลึกลอยโยดลอยปีของเมืองคนจึงเป็นปีทิพย์ของเทวดาปีหนึ่งเทวดากี่เอาเม็ดมังงาไปทิ้มใส่ฮันให้มันเต็มฮาปเฮียงเพียงงามแล้วเป็นกลับหนึ่งมาสิ บัด น, นี้เขาเอาเข้าไปเสบาาได้หกกับตายแล้วไปเกิดเมืองสวรรค์กับหนึ่งแล้วบัด น, นี้ได้หกกับเส่บ่าทอเดียวและบัด น, นี้เขาไปยู่จักปีจากศาตร์เขาหูจักบ่อบ่อบุหูจกักผมบุหูจักใ้เทต่ก่อนและบัด น, นี้ถ้าไปยู่ร้อยปีพันปีเมืองสวรรค์พุ่นมันจะเป็นยังไงเขาหูจักเมืองสวรรค์ยู่ใสบุหูจักผมแต่ก่อน บูดจากแต่ถบัด น, นี้ลองเอาเม็ดบังอามาใส่นี่ก็ได้เอาอยากาผ้าเป่ามอาบเป่ามันมาไว้บนนอนหอมหรือไว้ถุงเสื้อเาก็ไ ด, ปด้ปีหนึ่งเอาทิ้มเศษเม็ดหนึ่งปีนึงเอาทิ้มเศษเม็ดหนึ่งบ่ร้อยปีของเมืองคนดอกเอาปีเมืองคนนี่แหละร้อยปีโบติงเม็ดบั ง, งาร้อยเม็ดเอาไปทิ้มใส่ให้บติบรรจุนั่นโบติง แล้วบัด น, นี้คนเฮามีอายุย่่งนานก็นไม่เกิน1อยปีมีเพียงหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีตายยืนระว่างนีรันดและบัด น, นี้ถ้าหากคิดอย่างตันแล้มันบดเต็มตักรย์อันนั้นเป็นการขาดคิดเพราะว่าพระบริเจ้านั้นเพิ่นเป็นคนอินเดียบางทีพระจิวเวาเป็นภาษาบาลีแปลมาอาจผิดก็ได้ถูกก็ได้ ผมรับรองบอกว่าคำว่ากับหนึ่งนี่หมายถึงสั่วชีวิตของคน ม, มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแบบเคลื่อนไหวอย่างผมว่านี่แหละมันเต็มพิษตาอ้าปากเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้สึกตัวนี่เมตมกงามันที่เต็มมันที่สบบูรณ์เป็นกับหนึ่งเท่เต็มกับเท้เออ มันเต็มแล้วมันสมบูรณ์ไปอย่างไรมันมีขวมบ b มีทุกมันมีควมบ b มีทุกอันทุกนั้นไผโบต้องการทุกนั้นเพราะอย่างมันว่างมันว่างอยู่มันเป็นเหวอยู่ว่องลอยโยดลึกลอยโยดคำว่ากว่องลอยโยดลึกลอยโยด น, นั้นคือเห่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญา เจสติสมาธิปัญญามีอยู่เขาขาดเขาบทเจริญมันเลยบดเต็มเมื่อมันบดเต็มแล้วมันก็นมีโทสะมีโมหะมีโลภะมีความยึดมั่นถือมัน่นมันนว้างอยู่งันบัดนี้เขามาเจริญแบบนี้บัดนี้ให้มันเต็มเอาเมตัางงานั้นหมายถึงความรู้สึกนี่แหละ เคลนไหวโดยวิธีใดมันรู้สึกอันนี้แหละมิดมางามันนึกมันคิดอันใดใมันเห็นให้มันร่วมนให้มันเข้าใจมันเต็มเมื่อมันเต็มบ่ออันนี้แล้วโทสะโมหโลภเกิดขึ้นบ่ใดหวมยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นบ่ไดนี่แหละมันเป็นเมืองสวรรค์อยู่นี้นี่มันฮาเพียงเพียงงามคือหน้ากองเลยแท้ๆอันนี้แหละเป็นกับหนึ่งแท้ๆอันนี้ นี่แปลว่าความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นบั น, นี้ขันเปียดทางสูงเพื่นว่าอ้วงลอยโยตสูงลอยโยตรลอยปีของเมืองคนจึงเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเทวดาจึงเอาผ้าอ่อนๆมากวดลงมาปัดลงให้ดอยให้ภูเขาสูงๆนั่นแหละฮาเพียงเพียงงามคือหน้าของใสนี่แล้วก็เป็นกับหนึ่งคือกัน อันนี้ก่อแสดงอันเดียวกันค่วมเปียบเทียบหมายเทงคนคาดสติคาดสมาธิคาดปัญญาคาดความรู้ความเห็นความเข้าใจแล้วโทสะมันสูงโมหะมันสูงโลภะมันสูงค่วมยึดมั่นถือมั่นมันสูงมันสูงมันใหญ่แล้วมันก็เลย คนมัดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเงาสั้มันก็แสดงตกหน้าเอาทั้งหมดคนมีเงินลอยล้านพันล้านมันก็แสดงก็ตกหน้าเอาทั้งหมดเฮียนหนังสือไดลายจบนักทำตีนักทำโถนักทำเอกเป็นมหาปรเรียนมันก็ตกหน้าเอาทั้งหมดเรียนไฟลโลกตั้งแต่ปอนึถึงปอห มันตกหน้าเอาอทั้งหมดเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นข้าราชการตำรวจทหารมันกระบวยานไถ่ทั้งหมดมันตกหน้าเอาอทั้งเมดเพราะมันสูงกว่าทุกคนเนี่ยโทสะโมหะโลภะเนี่ยผมยึดมั่นถือมัน่นจีว่ามันสูงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบวชมานานนานเหมือนี้ให้ว่าบวชมาเต้นน้อย เข้าพันสาสิบพันสาล้อยพันษากะตามซางเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนมันกระโบยานมันตบน้าเอาทั้งมัด น, นี่แสดงว่าพวกเราทำกันอยู่ทุกมมือทุกวันนี้อย่างบทุกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเฮาว่าเขาซื้อพุทธศาสนาทำให้พุทธศาสนาเจริญมันเจริญบนใดจเจริญยูส้าถนนหนทาง สร้างวัดวาอารามสร้างพระพุทธรูปสร้างอุติวิหารสลาการปฏริเเจริญยุค น, นั้นกราต้องพยายามพื้นปูให้คําสอนของพระพุทธเจ้าเจริญขึ้นมาจริงๆนัๆ่นเจริญวัตถุนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งครับเจริญจิตใจเป็นอีกเรื่องหนึง่งคําว่าเจริญวัตถุนั้นมองเห็นด้วยตา จเจริญจิตใจนี้บ่มองเห็นด้วยตาเขาจดว่าจเจริญจังไงพระทรงองค์เงงกันยังทะเลาะผิดเถียงกันยูญาตยมไปทําบุญไปรักษาศีลกันยังผิดยังเถียงกันยูจเจริญบ่อะไรบ่มีจิตใจต่ําจิตใจเลวสามจิตใจมืดจิตใจมันบอด คำว่าเจริญนี่หมายถึงภัยว่าอันใดก็ให้อภัยเขาพ่อแม่ให้อภัยกันลูกเต้าให้อภัยกันครูบ้าอาจารย์กับลูกศิษย์ให้อภัยกันผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ให้อภัยกันกับรัตดอนรัตดอนก็ให้อภัยแก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันมีแต่การอบรมกันให้เจริญทางจิตทางใจทางวัตถุกรอบ โบต้องยาก ค, ครับมันเจริญไปพร้อมขันโลดถ้าหากจิตใจเจริญแล้วเดี๋ยวนี้นี่จิตใจมันโบเจริญจิตใจมันแห้งจิตใจมันผอมเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกปกปิดครอบงำเอาไว้บ่อมีผูใ้ใดมาเปิดเผยคำว่าเปิดเผยอยูแต่ว่าเปิดเผยทางโบถูกถ้าเปิดเผยทางทุกนั้นต้องมีคนทาได ผมพูดนี้ผมรับรองทำได้โบญุวินจริงๆเรื่องนี้พระทรงองค์เนงก็ทำได้พ่อแม่พี่น้องญาติโยมทำได้มัดทุกคนคนซาตใดถือศาสนาใด้กระามสางแต่ก้อนผมเกียดติศาสนาคิดนี่ครับเดี๋ยวนี้ผมบุเกียด มันเป็นเพียงศาสนาสอนให้คนละซัวทำดีเท่านั้นแล้วศาสนาคิดนั่นก็นดีส่วนดีมีมาแต่ผมเกียดนั่นคือว่าทำบาปแล้วพระผู้เป็นเจ้ามารับรองเอาบาปมัดบาปยีโบมีวะท่านขันถ้าผู้ใดถือศาสนาคิดเดี๋ยวผมนัดบกหัใจเรื่องนี้ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็คือกันผู้ใดเสื้อฟังคำสอนของ พระพุทธเจ้าระบาสมันหายไปหมดคิดศาสนาก็คือกันผู้ใดปฏิบัติตามศาสนาคิดจริงๆแล้วบาสมันหายไปหมดโบเมนพระพุทธเจ้ามารับรองได้ครับโบแมนอ่นาเข่าวว่าภาพพระพุทธเจ้ามารับรองเอาดวงจิตวิญญาณแต่เกิดมึงสวัสค์นั้นทำบาปมากๆแล้วพระพุทธเจ้ามารับรองเอาบาป อ, อันนั้นหมดโบเมนอัานอ่ น, น, นเราเอาเพราะกว่าโมลูโูอย่างวองสัน ถ้าหากผู้ใดปฏิบัติตามคิดศาสนาจริงๆแล้วซื่อสัตย์สุดจริตต่อตัวเองแล้วบาปบุญบาปบบเกิดขึ้นเกิดขึ้นบุได้เพราะจิตใจมันจเจริญเพราะว่ารู้เห็นเข้าใจหัวผิดผู้ใดเสื่อพุทธศาสนาก็คือกันบาปมันบบเกิดเพราะว่าจเจริญทุกทางแล้ว บาปเกิดขึ้นเพราะหยางเกิดขึ้นเพราะหววโบหูหัวโบหูนั่นแหละโบหูทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะจึงเหตุจึงทํำจึงพูดบาปมันจึงเกิดถ้าหูเสียอย่างเดียวแล้วบทเหตุบททำสิ่งที่มันบทผูกบาปมันบทเกิดครับบาปคือมืดนั่นแหละเขาหยางไปเมื่อคืนมันมืดไปตกซนหลักซนต่อ ตกบอ่อตกขมเยียดหนามกระนี้เนี่ยเข้าไปบุ้งหูจักเนื้อทีอแสออกนอกทางพุ่นเนี่ยเขาบุ้งหูจักทั้งนั้นมันมืดเ น, นี่บัด น, นี้บุ้นบัดเนี่ยคือมันเขาไปมืดสวยเนี่บนใดเป็นตมเป็นเลนบนใดมีหลักมีตอบนไดเป็นบอ่อเป็นขมเขาบอ่ไปเขาไปแต่บ่อนมันสบายพุ่นบนมันแ ห, งแห้งพุ่นเนี่ยเนื้อบ้ากก็คือมืดมันเนี่ย บุญก็คือโบมืดนั่นแหละนี่มันเป็นอย่างไเจริญแบบนี้มันจิตเป็นคือมือสวยนี่ปรากฏเกิดขึ้นภายในใจิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตั้งแต่ของจริงของบบจริง น, นเพื่อนบวมามาสอนแต่เพื่อนกระเว้าไปตามสังคมเพื่อนโบสอนเพื่อนอบรมเข้ากันได้คนทำซัวละสัวแล้วมาทำดีก็ดีอยูกก่ก็ทาซัวเป็น ตอนพระพุทธเจ้าสอนจริงๆล้วสอนโดยมันเป็นธรรมศาสตร์กฎเกณฑ์มันเป็นธรรมศาสตร์ตัวอย่างสินห้าสินแปดสินสิบโมนิกะอบรมซื้ อ, อโบแมนพระพุทธเจ้าได้บัญญัติโบแมนเพราะมันมีมาก่อนนี่เราจะได้ยินวะพระพุทธเจ้าเห็นรูปเพศสมัมภ н องหนึ่งแลนั้นเพื่อก็เลยบวชตามแน่ บวชสินมีแล้วสินห้าสิบแปดสินสิบสินสองร้ยี่สิบเจ็ดมีแล้วอันนั้นเพิ่นบัญญัติไวแล้วอันนี้เพิ่นอกลมโบมิ้นสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระพุทธเจ้านั้นบัญญัตินั้นคือว่าสินที่มันรักษาคนสินคือมันปกติอันปกตินั้นเป็นโตสิน ปกติกายปกติวาจาปกติใจอันนี้ที่พระพิทยประกาศเดี๋ยวนี้เขาปกติแล้วบอกบทนปกติบทปกติที่ว่าเขาได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าบทนเอนมันปฏิบัติขึ้นขึ้นลงลงมัจีเนี่นจังใดมันก็ต้องบทนเองสนวัฒน์ดังนั้นพวกเขามาทีนี้ต้องสนทนาศึกษากัน และปฏิบัติกันให้ถูกให้ตรงจริงจริงเรื่องนี้ที่ผมเราเนี่ยผมรับรองได้พร ะ, ระเจ้าสอวนอย่างนี้จริงๆคือศาสนาและกระตามฟางโบญกเวนศาสนาที่ผมรู้ผมเกิดผมคิดผมเห็นแจ้งรู้จริงด้วยจิตด้วยใจด้วยจิตสำนึกศาสนานคือโตขน้น โบ้ได้หมายถึงวัดวาอาลามโบสถ์วิหารบวตศึกบ้ได้หมายถึงอันนั้นอันเดียวอันนั้นกรดียุบุษย์เป็นบดีแต่หมายถึงความจริงได้แต่หมายถึงตัวทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาศาสนาจึงแปลว่าคําสั่งสอนของทานผู้รู้สอนให้คนละซั่วทําดีอันนั้นเป็นศาสนาทั่วไปศาสนาใดก็ต้องสอนตัวพุทธศาสานาสอนจริงๆมัน อาจีแปลมาผิดก็ได้โตคนทุกคนนั่นเนี่ยเป็นตัวศาสนาสอนคนสอนเขาหูคนโตคนมันมีหูมันมีความชื่อความจาเนี่ยจดจําได้อย่างที่วาเนี่ยสอนให้สร้างจังหวะนี่สอนให้เจริญสตินี่ทุกคนจําได้มันมีหูฟังแล้วไม่มีตาเบิงเฮ็ดเป็นทาเป็น เฮ็ดเป็นทมเป็นได้สัตว์ได้ส่วนพอเหมาะสมกันแล้วมันเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดญาณมาลู้มาเห็นมาเข้าใจรู้แจ้งรู้จริงอันนี้พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าจริงจริ ง, รงสอนเรื่องนี้ดังนั้นการทำบุญการให้ฐานการรักษาศีต น, นั้นเป็นศาสนาทั่วไปทั่วไปทุกศาสนา สอนสังคมแต่ทําแล้วจิตใจมันยังต่ํายังทะเลาะผิดเถียงกันอยู่พ่อแม่ก็ผิดกันอโบรร้รู้จักพุทธศาสนาเขารู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนาแล้วรู้จักให้อภัยกันบ้ผิดบ้เถียงกันลูกเต้ากับโบผิดบ้เถีย ง, ก, งกันเสื้อฟังข่มพ่อข่มแม่พ่อแม่กับเสื้อฝังข่มลูกลูกกับเสื้อฝังข่มแม่ข่มพอ่อ ปฏิบัติการงานตามหน้าที่พ่อกับปฏิบัติตามหน้าที่ของพ่อแม่กับปฏิบัติตามหน้าที่ของแม่ลูกก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของลูกผมอ่านหนังสือนักธรรมสั้นโถเป็นขมลูสั้นโถหนังสือธรรมวิภาคปริเสกสองแต่ก้อนผมโบลูโบลูแท้ๆผมผมบวกเ้อมีคนได้อ่านหนังสือมากไห ม, มอ่านหนังสือนน้อย พอผมบวชเคยได้เข้าโรงเรียนเขียนหนังสือไทยบวเป็นผมอ่านเป็นแต่หนังสือลาวกับหนังสือธรรมผมอ่านเป็นเพราะว่าพระโซดาบันนี่ยังมีครอบครัวผัวเมียตามประเพณีโลกว่าสินเนี่ยผมว่านี่ผมบวชได้เป็นพระโซดาดอกผมบวได้แสดงสั้นดอกผมไปถามภาคองค์หนึง่งแต่อยู่หันอยู่นี่บวชตองวานดอก เขาเป็นพระผู้ใหญ่เป็นเจ้าคนะเขาว่าศาสนาธิเบศันอายุเจ็ดปีเป็นพระได้สันโอมันเป็นได้เพราะว่าศาสนาธิเบศสอนนั้นอายุเจ็ดปีเป็นพระได้เป็นพระได้เพราะว่าจิตใจเจริญเราไม่พอใจเผานนั้เรานํามาเว้าสู้ข่มฝัง พระมันต้องอายุยี่สิบปีพุ่นมันยังบวชได้มันยังเป็นพระได้ของเร า, าอา น, นันบุญเปนพุทธศาสนาบุญเปนศาสนาพุทธบุญเป็นศาสนาอย่างทั้งหมดลราปฏิเสธเนี่สแสดงว่าเป็นเจ้าขณะแล้วก็อย่างบุรูษจักพระเนเพิร์วามีผัวมีเมียไดย้เนี่ยและบันนี้เฮาซูมือเดี๋ยวนี้เป็นพระมีผัวมีเมียโบได้ เจ้าหัวไอจัวมีผัวมีเมียโบได้อันนี้แสดงว่ามันเรื่องสมสมุติสมมุติขึ้นไม้เหาเห็นถือระเบียบถือบี่ไหนอันนี้เป็นวิธีการอันให้คนสร้างคุนดีงนามอันนึงอืงพระมีผัวมีเมียได้บอกขจีมีได้อย่างไงของโบเหตไทโบเหต น, นาเนี่ยจนเขาของญาติของโยมเนี่ยขจีมีผัมวมีเมียก็ต้องไปเฮตไทเฮตนา ให้ทุ่งให้ส่วนกินเองหากินเองแล้วอย่างแมนพระอันที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้นี้อันนี้เป็นผู้เผยแพผ่คำสอนของศาสนาทั่วไปถือพระเลื่องกับพระเหลืองนี่ก็ว่าพระพระพุทธเจ้าส่งอรุญารไว้เพื่นวางกันแล้วก็มานุ่งมาถือแล้วก็เลยประกาศศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบางทีอาจจะบุประกาศก็ได้ครับผมเห็นอันนี้ พระบอกเลขบอกบัตรบอกเบอร์นี้ว่าประกาศคําสอนของพระพิเจ้าติโบแมนอันนี้ผมว่าโบแมนแล้วผู้อื่นอาจิวแมนก็นไดถ้าพระองค์ใดบอกเลขบอกบัตรบอกเบอร์นั้นผมว่าคนมักลิ้นมักเล่นการพ น, นันตั้งแต่คนก่อนคุณล่ะแล้วซื้อเลขซื้อบัตรซื้อเบอร์ลิ้นเบี้ยลิ้นภัยหมึดเงินหมึดทอง บางคนอาจจะเป็นนี้สินคนมากระได้บม่มีทางไปก็มาอาศัยบวชแล้วก็หาว่าโตเป็นผู้วิเศษขึ้นมามาเที่ยวบอกเลขบอกบัตรบอกเบออันนี้ผมว่าโบเมนโบเมนะกาศศาสนาคำสอนของพระพรุทธเจ้าบางทีเว่ากับผมว่าเดี๋ยวนี้นี่มันจิตถูกเข้าในหลักลว่าพูดอวดอุตตริมนุษย์าธรรม คือทาอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนพุ่นมันจะกินอาบัติปราศสึกโดยสมมุติพุ่นปราสึกนี่ผู้ไดต้องเข้าไปแล้วค่าจากควมเป็นภิกษุเป็นภิกษุในบรวรพุทธศาสนาบูไดพนวันนี่เล่มมันจีมีแบบถ้ามันมีมันก็นต้องไปซื้อเอาทุกโลดถาบเบื้องเม่ลูกหลานขาเจ้ามีบริษัทห้างร้านจักขุด แล้วทำงานอันใดบางคนนั้นลูกก็มีหักโบได้รําได้รวยกะมีโบทันได้มีบริษัทห้างร้านกะมีโตขาเจ้าขยักได้เงินถ้าขาเจ้าลูจ่จริงๆแล้วขาเจ้ากับไปซื้อเอาเองหือขาเจ้าลู่จริงๆแล้วขาเจ้าบบซื้อไปบอกลูกบอกหลานข้าเจ้าซื้อเองนี่มันย้ําเป็นคนพูดจริงอันนั้นพูดโบจริงพูดโกหกพูดลอกลวงผิดผิดพุทธพุทธ คำสอนของพระพิจ้าพ่อพระเจ้าสอนแต่ของจริงของโบจริงเพื่นโบสอนสอนแบบนี้สอนให้มีผู้ร้ายไอ้ขโมยสอนให้มีคนซ้อโกงโกหกหลอกลวงกันสอนให้คนลักเล็กขโมยน้อยสอนให้คนมืออ่อนเท้าอ่อนเป็นคนเกียดคานบอออกการบอออกงานได้ยินพระบอกเลขบนหันแลนไปพระบอกเลขบนนี้แลนไปเสียเงินไปทุกมือทุกมือ ได้จําบาทสองบาดนี่ว่า จ, จะของได้เสียไปเป็นร้อนเปลนพันบางคนเสียฮ้อนให้ฮ้อนนาคุณนะบางคนเสียฮ้อนบ้านฮ้อนเหือนก็มีผมเห็นคนจังหวัดลอยเอ็ดไปอยู่เบืองลาวครับเพราะซื้อบัตรซื้อเบอร์ซื้อเลขนี่หมึดเนื้อหมึดตัวไปตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่โค้นครับออืทางบ้านนาคา่านาศักดิ์คุณ ขาเจ้าไปเฮตสนประธานนํามีได้ให้ได้หนาดีผมถามมื่เรื่องพระบอกเลขบอกระบาดบอกเบอือนนี่ผมถามขาเจ้าโอ้หลายมัเป็นยังไงอันนี้แสดงว่าทําให้พุทธศาสนาืเสื่อมบุแม่ทําให้พุทธศาสนาืจเจริญลอกลวงให้คนโง่โบุแม่ลอกลวยให้คนสลาดพระบริเจ้านั้นถึงเพิ่นจะลอกลวงเพิ่นก็นลอกลวงให้คนสลาด พ้นว้าโดยอ้อมเว้าโดยตรงพระพุทธเจ้าอันนี้บอกเป็นว้าโดยอ้อมเว่าโดยตรงเว้าแบบใดหูบุหูจักดังนั้นโลกนี้มันเจริญความเจริญทางวัตถุนี่แหละทําให้จิตใจคนตกต่ําบัดนี้เฮมาสร้างมาเจริญสติเจริญปัญญาให้จิตใจมันสูงขึ้นะ เศรษฐกิจก็ดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นเมื่อเศษรษฐกิจดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นพุทธศาสนาก็เจริญขึ้นไหวเป็นหนึ่งสั้นความทุกข์ควา ม, มเดือดร้อนจะคอยจืดคอยจางหายไปมีแต่ความซุ้มซื่นเยือกเยน็นคอยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นเม็ดเป็นผลขึ้นมานี่ ความทุกข์ความเดือดร้อนจึงจะบกเกิดขึ้นดังนั้นความทุกข์นั้นทุกคนบ่ต้องการอันนี้ต้องฝังให้เต็กเดี๋ยวนี้นี่พระเพื่นสอนทำบุญมากๆตายแล้วจะเกิดเมืองสวรรค์อยู่สันฟ์รร์ย่นหยอนพุนวาทันและวันนี้ลมพัดต้นไม้ออกไปยู่ปลายไม้แั้ก็ยู่บวัวได้มันกวยได้มันตกใหญ่ แล้วสันฟ้ายอนยอนอยู่ใส่บหุ่นจักแล้วคนเฮาเนี่คันทำบุญให้ฐานแล้วอยากแต่เกิดเป็นสันฟ้าคุณแล้วหักโบอยากตายบังเกิดมาแล้วทุกคนนี่แหละโบอยากตายทั้งมืดโบอยากตายอยากไปเกิดเป็นสันฟ้ามันตายแล้วเพื่ออยากมาเกิดอีกตืมแล้วหักโบอยากตายแต่หักอยากไปเกิดคุณบ่ทันตายเธออยากไปเกิดแล้วอันนี้มันมันบหุ่นกัน มันผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้พระพุทธเจ้าทําให้กลัวอันใดสนันเขาบอกเข้าใจได้ไี่แต่ก้อนผมก็บบกเข้าใจบอกเข้าใจ่เมืองสวรรค์สั้นฟ้าผมบอกเข้าใจแท้ๆบอกเข้าใจแท้ๆคำว่าเมืองสวรรค์สันฟ้า น, นั้นสวรรค์มันพูนว่าหกสันจาตูมตาวติงสายา ม, มาตุติดานิมานรติ ฟารานิมิสสะวะัสะวะดิวดีผมเรียนตังเมื่อเป็นเนนนน้นั่นเนเอิ้นสวรรค์หกสันพบบูฮกจักจาตูมในพนว่าสั้นต์ต่ำพ่อแม่พี่น้องคูบาจานร้อยสังวัจาตูมสั้นต์ต่ำตีกองกินเหล้าวันจันทร์จ่าตูมนี่ก็หมายถึงว่ า, าหนึ่งตาสองหูสามดังสี่ปากห้ากายหกใจนี่แหละสะวรรค์หกสันครับ ตาเบิ่งอันดีหูฟังอันม้วนดังดมอันหอมปากจิตอันแสบเนื้อหนังนี่นอนที่นุ่มนวลจิตใจคิดเตดีนี่แล้วสวรรค์ครับผมเข้าใจงั้นสนถ้าหากว่าสวรรค์อยู่สันาคุญนนนองบทันเห็นเพราะมันบทันตายเท่นี่มันจะไปเห็นยังไรอันนี้แสดงว่าคนที่สอนนั่งกระบุกพู้จักมีก็ยืมคำพูดของผู้อื่นมาเว้า อันคำพูดของผู้อื่นนั้นอา จ, จเปลี่ยนพระพุทธเจ้าวากรได้หรือผู้อื่นวา่ากระได้ถ้าหากแปรมาผิดได้มันผิดเพราะพระพุทธเจ้านในบุญคนบ้านเฮาแต่คนบ้านเฮาเว้ากันกันอย่าบุคู้จักอยู่แล้วเดี๋ยวดีนี่มันเป็นยางไงนี่แหละพระพุทธเจ้าคนให้กลัวเกิดตาย น, นบุตรต้องกลัวคนาถ้าเกิดึนแล้วมันตายนี่แล้วเฮายางมาเกิดอีกเติมเหมือนยากมาเกิดอีกเติมมันก็ต้องอยากตายอีกเติม เขาคิดผิดเขาใจผิดเมื่อคิดผิดเข้าใจผิดปฏิบัติมันก็ผิดดังนั้นการพูดการสนทนาการฝังคำพูดคาสอนนี่ต้องฝังให้ถูกคิดถูกปฏิบัติถูกผลออกมาก็ได้รับถูกจริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่ากลัวตายแล้ว ก, ก็กลัวเกิด ตายบ่ต้องกลัวเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนพ่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายแม่เกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นเทวดาตายอย่างเทวดาเป็นอินตายอย่างอินเป็นพรมตายอย่างพรมเป็นสัตว์ตายอย่างสัตว์เป็นอันใดตายอย่างอันตัถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายแน่แนทีเดียวอบ่มีการยกเว้นดังนั้นพระพุทธเจ้ายจึงสอนว่าให้กลัวเกิดดีกว่ากลัวตายถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่ตาย ที่ใดที่บบเกิดโบตายพันกวานิพานนิพานนั้นโบมีโรคภัไข้เจ็บโบมีเจ็ตหัวโบมีปวดทองโบมีเกิดบบมีแก่โบมีเปลี่ยนโบมีตายเพื่อยังสอนคนให้ไปนิพานบเป็นตายแล้วจึงไปต้องรู้แล้วจึงไปรู้แล้วจึงไปถูกบบรู้ไปโบถูกคนบูราณพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดครูบาอาจารย์ก็คือสอนเอาไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอก นอนลกอยู่ในใจนิพพ า, านก็อยู่ที่ใจถ้าใจมีสติแล้วใจมีสมาธิแล้วใจมีปัญญาแล้วนิพพานโมต้องยาพ้นวันนิพพานไม่ไก่นอนหายใจอยู่ก็ได้ยินเสียงลมหายใจอยู่พ้นวงังกันแล้วห่อไปปัฒนาเอาใส่นิพพานนิพพานก็หมายถึงคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นจิตเห็นใจเห็นชีวิตตัวเองมันนึกมันคิด มันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขชีวิตมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขหรือจิตใจเป็นทุกข์หรือจิตใจเป็นสุขอันใดเป็นทุกข์อันใดเป็นสุขเราจะได้เห็นมานี้นะชีวิตทุกข์หรือหรือใจทุกข์ชีวิตหนึ่งใจนึงลมหายใจหนึ่งอันเดียวกันบ่บ่แนนลมหายใจได้หายใจบุบาบุบาอยู่นี้นี่ชีวิตนั่นอีกเรื่องหนึ่งใจมันคิดอีกเรื่องหนึ่งนี่ ตอนนี้เนี่ยตอนบำเพ็ญทางจิตทางใจทําให้พุทธศาสนาจเจริญมันยากน้อยหนึ่งเรื่องนี้ครับมันต้องคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาอบรมจริงๆอย่างรู้ได้ถ้าโบอบรมจริงๆริโบรู้มือนี่ที่ได้มาเล่าให้ฟังตามความจริงที่เจ้าของได้ศึกษาและอบรมมาจริงเป็นอย่างนี้รับรองคําพูดของตัวเองได้จริง อย่างนี้รับรองได้ไม่เกินสามปีตอนบำเพ็ญทางจิตทางใจจำไว้นะตอนเบื้องต้นรับรองได้ไม่เกินยี่สิบวันเกิดญาณปัญญาขึ้นสองเทือนิสกอนแต่ญาณอย่างอื่นๆนั้นโบต้องพูดถึงเถือกระไดรับรองว่าทุกคนต้องมีแล้วเหมือนกับเม็ดข้าวหรือเม็ดพืชในหมักมีในหมักม่วง ไปปลูกไปเพาะได้สัดได้ส่วนกันแล้วแตกขึ้นมัดทุกเม็ดบุมียกเวนเม็ดเขาทุกเม็ดงอกมดทุกเม็ดบุมียกเวนถ้าเป็นเม็ดอ้วนเม็ดเต็มถ้าเป็นเม็ดรี้ยบเดาโบแตกในมะม่วงคือกันมักมีคือกันถ้าเป็นเม็ดรี้บโบแตกอันนี้คนถ้าเป็นคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาบุเป็นบ้ารับรองว่าทุกคนเป็นมดถ้าคนบ้าในแทะอาจีบุเป็นก็ได้ เมือกับเขารีฟนั่นแหละครับก็หลับพอดีแล้วครับเมื่อนีก็หยุดแต่เพียงแค่ น, นี้ไปทำการทำงานตามหน้าที่ของพวกเขาพูดเดยวมีหน้าที่อันไหนกับไตเลือกกันได้ครับ